7. คุณของมารดาไม่มี8คุณของบิดาไม่มี 9. พวกโอปปาติกะไม่มีคือเห็นว่าพวกผีและเทวดาไม่มี 10. สมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้บรรลุธรรมอันชอบคือบรรลุอภิญญามรผลละนิพพานกระทำให้แจ้งด้วยตนเองซึ่งโลกนี้และโลกหน้าด้วยอภิญญาแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ได้ด้วยไม่มี